เพราะความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังเทาง่านห้นแต่รมประพุทธญาณในวันนี้ก็จะพูดถึงพระญาณข้อที่สองที่พระพุทธเจ้าทรงสัสรูในมัชิมายามแห่งราจีแต่พระญาณทั้งข้อแรกและข้อที่สองนี่เป็นโลกิยาก็ได้นะหมายความว่าท่านฝึกสมาธิมาจน ได้บรรลุอภิญญา5แรก5ข้อแรกเนี่ยก็สามารถารู้ศาติได้สามารถรู้ความแตกต่างของคนของสัตว์ได้แต่ว่าไม่ตลอดสายบนอันที่สุดท่านก็รู้ได้ระดับไหนก็ปักใจฝังใจเอาในระดับนั้นมันก็กลายเป็นอาการของทิฐิ ต, ต่างๆ มายุคสมัยนั้นส่งแสดงไว้ถึงหกสิบสองทิศด้วยกันปรญญาข้อที่สองนั้นในที่บางแห่งจะเรียกว่าที่ปักจสุจะในพวกวิชา8ปดเนี่ยเรียกว่าที่ปักจสุหรือพิญญาหกก็เรียกว่าที่ปักจสุแต่ว่าในที่นี้เรียกว่าจุตูปปาตยานคือความหมายจะเหมือนกันแต่ว่าเนื้อหนักแตกต่างกัน จะเรียกว่าจตูปปาตยานนั้นจะเน้นในตัวเหตุที่ให้เกิดผลคือความเปลี่ยนแปลงหมายความว่าเป็นการเจาะลึกในกระบวนการของกรรมคือใช้ในกรณีดูกระบวนการของกรรมเนี่ยก็จะเรียกว่าจุตูปปาตยานโดยเฉพาะกระบวนการของกรรมที่นำคนให้อุบัติ บังเกิดในชาติในกำเนิดในสกุลในภพภูมิที่แตกต่างกันก็อธิบายด้วยจตุปปาตยานแต่จะศึกษาถึงสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นนั้นแล้วก็สาวเจาะลึกย้อยนอดีตเหมือนกันก็มาจะเรียกว่าที่ประจักษสุ แล้วก็มีองค์ญาติข้ออื่นเข้ามาประกอบเจ้งการสรวจดูสัตโตโลกเพื่อจะเสด็จไปโปรดในตอนเช้าของแต่ละวันสรงนี้จะเรียกก็ที่ปจัจจสุหรือบางทีก็เรียกว่าพุทธจักรสุก็แล้วแต่นะแ ต, แต่จะเน้นเป็นในเรื่องอะไรแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระแล้วคือประยานนั่นเองประญาที่เป็นผลรวมของ อริยมรรคเป็ประการก็คือสมมาญาณนะความแตกต่างในด้านชื่อนั้นก็คือเป็นจุดเน้นพูดง่ายๆว่าเป็นอาการนะเป็นอาการของญาณเราใกล้ๆกับคนคนเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าแสดงอริยบทแสดงอาการแสดงความเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันออกไปก็ออกมี ก, การเรียกตามอริยบทเหล่านั้นก็ไม่ตรงกัน ที่จริงก็เป็นการกระทำของคนคนเดียวกันวันปัาข้อที่สองนี่ขึ้นต้นจากข้อความเหมือนกันนะเหมือนกันกับข้อแรกแล้วก็แม้แต่ถึงข้อที่สามเองก็จะขึ้นความอย่างนั้นว่าราชจกุมาเรเ่านั้นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นธรรมชาติโอนโยนควรแก่การงานถึงความไม่หวั่นไหวตั้งอยู่เช่นนี้แล้ว ในน้อมจิตไปเฉพาะต่อจโตูปปาตยานคือพระยานที่กำหนดรู้ถึงจริงที่อยู่เบื้องหลังของการเกิดการตายของคนแต่ทำไมคนนั้นจะเกิดเป็นอย่างนั้นมีรูปร่างอย่างนั้นมีวิภัณฑ์อย่างนั้นมีตะกุลอย่างนั้นเนี่ยสามารถอธิบายได้หลายอย่างแล้วก็วิจิตพิสดาร น, นะเพราะว่าทรงประกอบด้วยพระยานใน ชื่อหลายๆชื่อก็เรียกชื่อหลายๆชื่อแล้วก็รับสั่งว่าเรามีจักสุทิพบริสุทิ์กว่าจักสุของสามัญยมนุษย์ย่อมแลเห็นสัตว์ทั้งหลายจุติอยู่บังเกิดอยู่คําว่าจุติอยู่ก็คือตายอยู่บังเกิดอยู่ก็คือตายตายปั๊บเกิดปุ๊บตายปั๊บเกิดปุ๊บนะฮะคือในแง่ของสังสารวัตรแล้วเป็นอาการเกิดดับต่อเนื่องแบบกระแสไฟ มันไม่ใช่พอตายปั๊บแล้วเที่ยวสวงหาพบอย่างที่อธิบายกันนี่เป็นกระแสกระดับกระดับกระดับที่ทยอยกันไปเป็นคลื่นเหมือนกระแสน้ํำกระแสลมกระแสไฟกระแสคลื่นคือสอะไรที่มีเหตุปัจจัยมันเกิดดับกระดับมันก็ถยอยกันไปอย่างนั้นนะแล้วก็กลายเป็นขนาดที่เราชัดเจนที่เรารับผิดชอบได้ที่เราทําให้ถูกให้ผิดได้เนี่ยคือปัจจุบันขนาด ตัวอดีตมันเกิดขึ้นแล้วใอดีตตั้งอยู่ในอดีตกระดับไปแล้วใอดีตอนาคตนั้นยังไม่มาถึงเพราะมาถึงมันก็เป็นปัจจุบันผล อ, อนาคตท่านจึงแปลว่าไม่ได้มาแล้วปัจจุบันแปลว่าเกิดขึ้นเฉพาะหน้าผลการดูจุติการุบัติของสัตว์ทั้งหลายก็ดูในขณะนั้นนั้นทีนี้ถ้าย้อนอดีตเขาเรียกอัติตังสยาน ก็ยานข้อนี้ยานยานอย่างเงี้ยแต่ว่าดูศึกษาภูมิหลังเนี่ยดีของเขาบางทีก็เรียกว่าก ร, รมมวิปากยานก็แล้วแต่นะก็ก็ก็มีองค์ประกอบเยอะทีนี้ถ้าจะดูในอนาคตก็เรียกอนาคตตังขะยานรู้คนนี้ตายไปจะไปเกิดตรงนี้ก็เพราะผลกรรมอย่างนี้อย่างนี้ อ, นอะไรเนี่ยซึ่งก็มีปรากฏเรื่องราวบุคคล เหตุการณ์ต่างๆในพุทธการอยู่เป็นอันมากสําหรับกรณีเหล่านี้ทีนี้รับสั่งว่าย่อมเลญสัตว์ทั้งหลายยุติอยู่บังเกิดอยู่เลวสามประณีตมีวันณะดีมีวันณ ะ, ะเลวมีสุขมีทุกข์เรารู้แจ้งชัดหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมว่าผู้เจริญทั้งหลายสัตว์เหล่านี้หนอประกอบกายตุจริตวจิตตัวจิตมโนตัวจิต ผู้ติเตียนพระยาเจ้าทั้งหลายเป็นมิจฉาทิฐิประกอบการงานด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิเบื้องหน้าแต่ตายแต่กายแตกตายไปล้วนพากันเข้าสู่อบายทุกขติบินิบาทนรกข้อนี้เป็นพระพุทธวจนะที่เรียกว่าเป็นนิปรยายนะคือแสดงอย่างนี้ทุกทีไปมันเป็นสูตร คือไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัติจะต้องจับประเด็นได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสัสรุแล้วก็แสดงคือชี้บอกตามที่ทรงสัสรุคนในสมัยพุทธกาลเดียวเขาฟังธรรมเทศนาเบลก็สันเสริญพระธรรมเทศนา ประสเสริญว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเหมือน ง, งายของที่ความอยู่เปิดของที่ปิดอยู่บอกทางแก่คนหลงทางสองประชีพในที่มืดเปิดควมีดวงตาได้เห็นแสงสว่างทุนสังเกตว่าทั้งหมดนั้นมันมีอยู่แล้วแต่ของที่ปิดปิดเอาไว้ก็ไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไรพระเจ้าก็ทรงเปิดขึ้นให้ดูหรือว่าของมันคว่ำอยู่ก็ทรงหายให้ดู ทางมันก็มีอยู่แล้วทั้งทางถูกทางผิดพอดีคนเดินผิดก็ชี้บอกทางถูกให้ของมันมีอยู่แล้วแต่วความมืดปิดบังไว้พรเจ้าก็จุดประชีพขึ้นในทํากลามความมืดแต่ก็มาจุดขึ้นแล้วก็มีข้อแม้ว่าคนที่มีตาเท่านั้นเองจะเห็นแสงถ้าไม่มีตาก็ไม่สามารถจะเห็นแสงสว่างได้ ใจิตใจของพุทธบริษัตาก็เป็นเช่นเดียวกันถ้ามานั้นพูะเจ้าส่งสัตรูและก็สมมาแสดงเปิดเผยชี้แจงกันโดยวิธีการต่งางๆถ้าใจไม่บอดอย่างน้อยมังก็ละทุกจริตที่เป็นเหตุห่งบายทุ ก, กติวิธิบาตในโรคได้เพราะสูตรนี้ไม่ใช่สูตรบัญญัติแต่เป็นสูตรกฎของกรรม ผู้เจ้าจะสรุกฎของกรรมกฎของกรรมมีอยู่ก่อนการสัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระเจ้าสัสรู้แล้วก็ทรงรู้เห็นว่าเรารู้แจ้งชัดหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมว่าผู้จเจริญทั้งหลาย สัตว์เหล่านี้ประกอบกายยตุจริทธวจีตุจริทธมโนตุจริโโทธพูติเตียนพระยาเจ้าทั้งหลายเป็นมิจฉาทิติประกอบการงานด้วยอำนาจมิจฉาทิติเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตยกย่อมก็ถึงทุกติวินิบาตในรกอสุรกายนี่ก็เป็นตอนหนึ่งซึ่งเราอย่าลืมว่าคำสามคําเนี่ยกายยตุจริทธวจีตุจริทมโนตุจริมโโทรมันครอบจักรวาลแล้ว เพราะการกระทําไปตามแรงดันของกิเลสหยาบกลางละเอียดก็ตามนะะมันออกมาเป็นดุจจริตท่นั้นแล้วก็มีผลเป็นความทุกข์นั้นเพราะว่ากิเลสนั่นก็คือตัวสมุทัยสมุทัยก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์ตั้งแต่คิดแล้วทุกข์ตั้งแต่ในขณะทําขณะพูดแล้วแล้วก็ทุกข์หลังจากนั้นนะเป็นเรื่องราวที่มีความต่อเนื่องแล้วก็มันเป็นข้อมันอย่างนั้นเอง เป็นสูตรที่ตายตัวซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าเราไปศึกษาดูในปัจจัยปิฎกเนี่ยตรงนี้ก็คืออกุศนกบมบทสิบประการหรือว่าทุจริตสามประการก็แล้วแต่จะเรียกนะฮะเวลาทรงสั่งสอนเนี่ยก็ทรงสั่งสอนโดยประยายต่างๆแต่มันจะอยู่ตรงนี้เพราะบางบางทีเนี่ยเราจะไปพบว่าทรงสแสดงทางแห่งทุกขติ ก็คือกายทุจริตวิจีทุจริตมโนทุจริตหรือเหตุแห่งทุกขติก็ไปกายทุจริตวิจีทุจริตมโนทุจริตหรือบางทีก็เป็นอกุศลกรรมบทสิบประการเพราะอะไรเพราะพวกนี้เป็นปัญหาเป็นปัญหาทั่วทั้งโลกและโดยเฉพาะไอเจ็ดข้อแรกเนี่ยมนันจากกระตุกระเทือนคือทําให้สังคมอยู่ร่วมกันโดยไม่ปกติสุข นั่นคืออะไรก็คือการประทุษรายร่างกายประทุษรายทรัพย์สินประทุษรายกันในทางเพศเวลานี้หรืโหดรุนแรงหน้าห่วงใหญ่หน้าวิตกกังวลแต่ก็ไม่ต้องไปเครียดมากนะเพราะว่าก็ไม่รู้จะว่ายังไงคือถึงจุดหนึ่งบางทีเราก็นึกถึงกรร ม, มนะแต่โลกก็เป็นไปต า, ามตามกรรมบงงานบางอย่างมันนอกวิสัยที่เราจะแก้ไขได้อย่างวันก่อนก็ มีคนก็ซักถามในรายการโทรทัศน์เรื่องปัญหาการเบี่ยงเบนทางเพศเป็นทองเป็ น, ด, ปนดีเป็นรุดเป็นอะไรต่างๆเนี่ยถามว่าพระช่วยได้ไหมถามาพระรู้ไหมช่วยได้ไหมบร่รู้มันรู้มาตั้งนานแล้วรือมันอยู่ในวินัยบิดกนะฮะเขาอธิบายไว้ละเอียดพิสดารมากเป็นคนประเภทที่ขห้ามบวช เะะนันเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้เอาไว้เพื่อคัดสรรคนว่าใครบวชได้บวชไม่ได้เาถามว่าพระจะช่วยได้ไหมบอกว่ามันมีปัญหามันมีปัญหาทางบินไนทีนี้ถ้าจะจัดกิจกรรมขึ้นมาที่จริงก็ทําได้นะฮะทาได้เพราะว่าวิธีการสื่อสารติดต่อกับพวกเหล่านี้มันเป็นกระบวนการที่เบี่ยงเบนออกไปเอาาไปจกออกไปจากธรรมชาติ จะ่ธรรมชาติมันเป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าเบี่ยงเบนเออกไปเป็นอย่างหนึ่งเพราะ ง, งั้นก็พยายามศึกษาวิเคราะห์ให้ความปูนคุ้นเคยกับเขาแล้วให้เขาดึงตัวเองกลับเข้ามาสู่ธรรมชาติอยู่เป็นอย่างที่เขาเป็นมันก็เสริมสร้างจิตสำนึกอะไรที่ดีงามเขาขึ้นมานะแต่ต้องใช้เวลานะทีนี้ไอ้งานเนี่ยมันควรจะกระจายกันทาหรือว่าเราก็มีงานเยอะแล้วนะฮะ แล้วก็คนก็ไม่ใช่มากอะไรแต่ไรเพราะงั้นานที่ทําเนี่ยทํากันไม่หวาดไม่ไหวแล้วไอ้ส่วนเรื่องโรคเอดเรื่องเบี่ยงเบนทางเพศเพศเรื่องตุบเรื่องทอนเรื่องดีดีอะไรแต่ไรเนี่ยโยมเอาไปทํากันบ้างเถอะคือเรื่องบางเรื่องมันไม่ไหวนะเอามาให้พระทําเนี่ยไปวันก่อนไปที่จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือตอนล่างพระก็บองบอกว่ามันแย่แล้วอาจารย์โดยแล้วเนี่ ทางกระทรวงสาธารณสุขเขาขอให้พระช่วยรณรงค์เรื่องป้องกันโรคเอชแล้วก็รณรงค์เรื่องการใช้ถุงยางอนามัยเอาพยาบาลมาสาธิตวิธีใช้ถุงยางอนามัยสาธิตให้พระดูนะฮแล้วพระจะไปพูดได้ไงคือคนเรานี่อาการหนักแหละแต่จริงอาการหนักมากๆเลยใจพระไปพูดเรื่องเหล่านั้นได้ไง มันไม่เหมาะควรแก่สถานภาพของพระแต่พระไม่จะมีกิจกรรมในทางเพศจะไปสั่งสอนคนอื่นเรื่องกิจกรรมทางเพศได้อย่างไงเวลาอธิบายศีลข้อที่สามเราจะเห็นว่าพระส่วนใหญ่ก็อธิบายดำน้ำไปคือพูดกล่อมแกลมกล่อมแ ก, ม, กมไปคือไม่อยากจะพูดรพรเะชาบ้านก็รู้อยู่แล้วเพียงแต่พูดเรื่องงดเว้นไม่คบชู้สู่ชายกันเท่านั้นเอง พ้พพออนพวอคติสเหล่านี้มันก็คือการประทุษรายต่อสวัสดิภาพของบุคคลอื่นในเรื่องชีวิตในเรื่องทรัพย์ในเรื่องคู่ครองแล้วก็สิทธิในการรับฟังข้อมูลข่าวสารหรือว่าพูดจาให้เกิดความเจ็บใจความเสียใจความน้อยใจแล้วก็ยุยงให้เกิดความแตกแยกแรกล้าชานกัดขึ้น ตลอดถึงพูดที่เรื่องไร้สาระแต่เหล่านี้มันมาจากจิตใจที่ขาดการควบคุมควบ ค, มคุมความโลภไว้ไม่ได้จนถึงก็โลภอยากได้ของของบุคคลอื่นแต่พวกนี้ถ้าถึงก็ไปละเมิดแล้วมันผิดศีลข้อที่สองนะฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับข้อตรงนี่ถ้าว่าโกรธจนถึงอาฆาตพยาบาทก็ยังเป็นมโนทุจริตอยู่แต่ถ้าลงมือพุทธลายก็ผิดศีลข้อที่ข้อที่หนึ่งลนะ ที น, นี้ถ้าหากว่าหลงออกจากธรรนองคลองธรรมอันนี้เตลิดไปใหญ่มันจะดึงปัญหาต่างๆเข้ามาอีกเป็นอันมากเพราะนพวกนี้มันเป็นเหตุแห่งอบายให้เราสังเกตว่าพระพุทธเจ้าจะพูดผลกรรมหลังตายเนี่ยมากกว่าผลกรรมในปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งสัมผัสได้ไม่ต้องอธิบายเดี๋ยวก็เจอเองนะ แต่ว่าผลกรรมเนี่ยผลกรรมคนใดจะพออ่ายยิ่งคือาข้อสุดท้ายแต่ถ้คิดเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยจะพูดปัจจุบันมากกว่านะคือสมมติว่าห้าข้อเราก็คิดว่าข้อหนึ่งก็ประมาณเท่าไรล่ะยี่สิบเปอร์เซ็นก็จะเป็นเรื่องปัจจุบันเสียสักหกสิบเปอร์เซ็นแล้วก็กึ่งปัจจุบันกึ่งอนาคตเนี่หนึ่งข้อก็ยี่สิบเปอร์เ็ต แล้วก็เป็นอนาคตได้เลยนะฮะยี่สิบเปอร์เซ็นเช่นผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักของผู้รับทานเกติคุลอันดีงามของผู้ให้ทานจะพุ่งกระจรกระจายไปเป็นที่ยอมรับยกย่องของบุคคลทั้งหลายผู้ให้ทานนั้นจะเป็นคนองอาจกล้าหาญไม่ขั้นครามขามเกรงเมื่อเข้าไปในสมาคมต่างๆรเราเห็นว่อันนี้เป็นเรื่องที่เห็นกันในปัจจุบัน แต่ว่าคนต้องการจะเห็นจริงๆก็ต้องทำเองต้องสัมผัสได้ด้วยตัวเองเพียงแต่ว่าถ้าต้องการจะพิสูจน์มันพิสูจน์ได้ง่ายพอมาถึงข้อที่สี่ก็บอกว่าผู้ให้ทานนั้นจะไม่หลงตายคือจะมีสติตายก็แสดงว่าเป็นอนาคตใกล้ๆคือเราจะเห็นก่อนตายนั่นแหละ แต่ว่าที่จริงแล้วคนประมาททานั้นเองที่เสี่ยงคนไม่ประมาทนั้นเขาจะต้องรีดสร้างเหตุเพื่อไม่ให้หลงก็ไม่ต้องไปรอพิสูจน์ว่าจะหลงหรือไม่หลงเพอาะหลงเมื่อก็หลงนรกไปเลยแล้วว่าจะแก้ไขอะไรได้มันช้าเกินการไปพอตายไปแล้วจะบังเกิดในทุกขติวินิบาตนโกอักุบันอย่างเนี้ยอย่างอย่าง น, างางนี้ข้อความอย่างนี้จะมีอยู่ตรห อย่างที่บอกว่าทรงรับสั่งด้วยความองอาจกล้าหาญไม่หวาดหวัน่นการท้วงจริงการคัดค้านอะไรจากใครเลยแล้วก็แปลกว่าสมัยนั้นไม่มีการคัดค้านเพราะอะไรเพราะว่าคนฟังเขามีวาสนาบารมีแล้วก็ไม่ใจหวาดแสดงพร่ำเพรื่อไปเรื่อยนะแสดงแก่คนทั่ทวไปที่อยู่ในวิสัยซึ่ง จะรู้เห็นทั้งความจริงในเรื่องล่านี้ได้แล้วในข้อต่อไปก็ทรงแสดงถึงประยาณที่ทรงรู้เห็นเช่นเดียวกันนะฮะว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเหล่าสัตว์ส่วนสัตว์เหล่านี้หนอประกอบสุจริตทางกายวาจาใจไม่ติเตียนพระริยเจ้าเป็นสมาิธิประกอบการงานด้วยหน้าสมาิธิเมื่อหน้าแต่ตายพระกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ แล้วก็ทรงเน้นย้ำว่าเรามีที่ไปจากสุบริสุทธิ์ล่วงจากสุสามันมนุษย์เห็นสัตว์เหล่าสัตว์ผู้จุติอยู่บังเกิดอยู่เลวรณีตมีวันนะดีมีวรนนะซามีสุขมีทุกข์มีสุ ข, สขรู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงกรรมได้ชนีดราชกุมารนี้เป็นวิชาที่สองที่เราบรรลุแล้วในยามกลางแห่งราตรีอวิชาถูกทำลายแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกทำลายแล้วความสว่างเกิดขึ้นแล้ว แทนเช่นเดียวกับที่เกิดแก่ผู้ไม่ประมาทมีความเพียเพรเผาบาปไม่ตนทรงไปแล้วอะอยู่หมายความว่าโดยเนื้อหาสาระและยานเหล่าเนี้ยคือใครจะปฏิบัติก็ตามเมื่อถึงแล้วเหมือนกันมันจะไปพบกันตรงนี้อย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าเหมือนกับแม่น้ําจะกี่ร้อยสายก็ช่างเวลาไหลลงทะเลแล้วนี่จะมีเพียงรถเดียวแต่นั้นเองคือรถเข็มชันใด จ, จิตใจของท่านที่บำเพ็ญเพียรทางจิตมาจนถึงจุดนี้ก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะท่านที่รู้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นจึงเรียกว่าอนุพุทธะเพราะรู้ตามที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าเห็นแล้วเมื่อท่านเหล่านั้นนํามาแสดงก็แสดงตรงกับที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปัญหาสำคัญเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ แล้วตมาเองยังมองว่าคนส่วนมากกันหาเรื่องเฉยๆคืออวดดีไม่ได้มองให้เห็นนะฮะไม่ได้มองให้ดีว่าเองเงื่อนไขตรงนี้คุณมีหรือเปล่าที่คุณคัดค้านเนะี่ยที่คุณบอกว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยถ้าจริงเนี่ยเราก็ใช้ความเชื่อได้ไม่แปลกอะไรแต่ถ้าเราคัดค้านเราไม่จริงเนี่ยอะไรคือเครื่องมือในการคัดค้าน เพราะเครื่องมือในการพิสูจน์ปนจริงนั้นก็คือว่าจิตตั้งมัน่นบริสุทธ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศ จ, จากกิเลสเป็นจิตเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแกการงานถึงความไม่หวั่นไหวตั้งอยู่เช่นนี้ปัญหาว่าจิตเราถึงอย่างนั้นแล้วอย่างนี้นจิตยืนยันมันเป็นจิตอย่างนั้นคล้ายๆ ก, กัเนี่ยคล้ายๆกับเราเอาลิ้นไปพิสูจน์ความหวานของน้าตาเนี่ย แล้วคนหนึ่งสมมติว่าเขาไม่เคยชิมน้าตาลมาเลยเขามือไปจับเขาบอกไม่เห็ น, นหวานเลยเอาตาไปดูไม่เห็นมันหวานเลยเอาจมูกไปดมก็ไม่เห็นมันหวานเลยก็ไม่หวานนะสิเพราะว่าถ้าท่านที่พิสูจน์ด้วยลิ้นเอาเอาใบจมูกตัวอื่นมาพิสูจน์ก็ไม่หวานเหมือนกันเพราะสิ่งที่เรรู้รสนั่งคือลิ้น เพราะในตรงนี้ทาขันว่าสิ่งที่รับรู้อย่างเนี้ยมันคือสภาพจิตอย่างนี้สภาพจิตที่ถึงความไม่หวั่นไหวตั้งอยู่เช่นนี้เป็นจิตที่พร้อมจะน้อมไปเพื่อรู้เพื่อหาคําตอบก็ข้องใจในเรื่องนั้นแล้วรงก็ได้คําตอบว่าเหตุที่ให้คนบังเกิดมันดีมีสุขด้วยประการต่างๆกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือว่าก็สุจริีทางกายทางวาจาทางใจ แล้วก็พิสูจน์ด้วยอะไรว่าทางวาจานั้นไม่ติเตียนพระเจา้าทางใจก็เป็นสมาทิฏฐิทีนี้เขาประพฤติเขากระทําเขาพูดโดยมีพื้นฐานของความเห็นชอบคือสมาธิฏิกายวาจาก็ถูกควบคุมให้มีการพูดชอบให้มีการทำชอบให้มีการคิดชอบเพราะว่าสมาทิฏฐินี้มันสุดยอดแล้วสมาธิฏิจะเป็นพื้นฐาน แด้ว่าทาให้ท่านเหล่านั้นก็มีความผ่องแผวปรากฏขึ้นภายในจิตเวลาตายไปแล้วก็จะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์นี่ก็กลายเป็นสูตรที่ลงปั่นแต่อย่าลืมนะฮะว่าอาวิชาท่านไม่มีท่านมีแต่วิชาท่านไม่มีความมืดท่านมีแต่แสงสว่างนี่คือประเด็นสำคัญว่าเราไม่ขาดการประมาณตัว และโดยเฉพาะที่สานสังคมไทยที่น่าสลดตุรูอย่างยิ่งก็คือว่าพวกด็อกเตอร์ทั้งหลายนี่ท่านเก่งเสียหมดทุกเรื่องไอเนี้ยคือน่าสลดที่สุด mm hmm. เก่งหมดทุกเรื่องเรียนอะไรมาไม่รู้เรียนกีต้วิทยามัเก่งเรื่องศาสนาเก่งเรื่องสังสารวัตรเก่งเรื่องวิทยาศาสตราา์เก่งหมดเลยนะแทนที่จะเออเก่งเฉพาะเรื่องมแมลงก็ไม่ได้บ้าอะไรกันไอนี่คือปัญหาว่าคนเราตื่นตัวกับอเศษกระดาษคือปริญญาบัตรเนี่ยเราตื่นตัวมากในเรื่องเห่านี้ใครมีเศษกระดาษเหล่านี้มาโอ้โอวด แม้แต่าดะเด็นบัณฑิตกิติมศักดิ์นโอ้โหมันยิ่งใหญ่กันเลเป็นเรื่องที่จะต้องทําความเข้าใจกันอีกนานนะทั้งฟังทั้งหลายแต่ลวงพระพุทญาณในวันนี้ขอยุดติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไยบุญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี